ต่ออีกเป็นงานของเราจึกขาและทำเป็นเรี่ยงชีวิตของเราศึกขาคือทะลุหลงให้มันทะลุทะลวงออกย่อยออกจะแรกเข็นเป็นกายเป็นใจ ในยังไม่ศึกษาเห็นเป็นกายเป็นใจเห็นเป็นตัวเป็นตนในกายในใจที่มันเกิดไหลขึ้นมาเมื่อศึกษาเข้าไปจริงๆก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามแล้วก็เปิดออกของที่ปิดถูกเปิดออกเป็นรูปเป็นนาม เป็นรูปเป็นนามเรกเป็นรูปทำเป็นนามทำเปิดไปเรื่อยๆไปเหมือนการศึกษาอะไรต่างๆเครื่องโย น, นก์ไกศึกษากษารแพทย์ศึกษาอะไรต่างๆแตกขานออกไปเห็นเป็นรูปทำนามทำจสิ่งที่รูปมันทำสิ่งที่นามมันทำก็เกิดเป็น อะไรขึ้นเห็นเป็นรูปโลกนามโลกในรูปในนามก็เป็นของโลกหนั่งโลกหวังอย่างเป็นโลกคือประจําเป็นความแกความเก็บความตาย อันหนึ่งก็เป็นรูปทุกน้ำทุกรูปมันเป็นก้อ น, นทุกน้ำเป็นก้อนทุกทุกที่เกิดขึ้นกับรูปกบวามน้ำมีแตกต่างกันไปเราเกี่ยวข้องกับทุกที่เกิดขึ้นกับรูปกบวามน้ำถ้าเราเห็นก็จะเกี่ยวข้องถูก ทุกบางอย่างก็กำหนดรู้ทุกบางอย่างก็บันเทาทุกบางอย่างก็ต้องละรักษาได้ทุกบางอย่างรักษาไม่ได้เหมกับโลกโลกบางอย่างรักษาได้โลกบางอย่างรักษาไม่ได้อันทุกข์ที่เป็นโลกโลกโลกนามโลกรูปทุกข์นามทุกข์ก็เช่นกัน มันจะแตกฉานแปเห็นรูปเป็นวัตถุเห็นน้มเป็นวัตถุอากาศนันหนึ่งที่เกิดกับรูป ก, กับนา้ามีอยู่แน่นอนเมื่อมีวัตถุก็มีอาการเื่นตาเป็นวัตถุหนึง่งหูเป็นวัตถุหนึง่ง จมูกด้วย่างกายใจเป็นวัตถุอันหนึ่งโลภลดขินเสียงเป็นวัตถุอันหนึ่งที่เป็นเป็นคู่เมื่อเหมือนสมบัติก็เกิดอาการขึ้นมาจะเห็นได้วิญญาณทางตาจักรวิญญาณโสตวิญญาณทางหูขณะวิญญาณทางอ ะ, อะไร คิวหาวิญญาณทางลิ้นกายวิญญาณทางกายมนโนวิญญาณทางจิตที่มันเกิดความรู้ไดเกิดขึ้นมาแล้วก็ฉลาดแต่ก่อนมันเข้าไปเป็นวิ่งไปตามวิญญาณเห็นขันหน้าเห็นเวทนาเห็นสัญญาสังขารเห็นวิญญาณ สองรูปของนามในรูปที่เป็นรูปมหาพูตธรูปแต่รูปหานัย <c oughs> ได้มาทุกคนรูปที่เกิดที่หลังกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาเกิดที่หลังระหว่างวัะถุอาการที่เกิดขึ้น เป็นอุปทานในสุขในทุกข์เป็นอุปทานประยึดว่าเราความร้อนความหนาวความหิวความเจ็บความปวดระยึดว่าเราเป็นทุกข์ที่เกิดซ้อนขึ้นมาหรือว่านามมาทุกข์นามลูกลูกนามเป็นมหาโพธิลูกนามมาลูกเกิดจากอุปทานยึดเอาว่าเราว่าของเราว่าตัวว่ า, ต, ววาตนของเรา อันนี้เป็นนามาลูปนามาลูปเกิดดับเกิดดับเกิดดหลอยพบหลอยชาติแล้วจะเกิดพบใดชาติได้เกิดเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นจักรโลกเดลระฉานก็มีเราาเเว่าโอโปปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดเป็นพระเกิดเป็นผีเกิดเป็น พระอนทพระพมเทวดาเกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาตรงเลี้ยงด้วยนมบวชขึ้นมาเรียกว่าโอปปาติกะถ้าใช่ผิดก็เกิดผิดเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกรรมเป็นวิบาก ใช่ถูกเห็นกรอนเกิดที่มันเกิดขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเทียนทามาเป็นพระได้หรื อ, อยังถ้าเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านักปฏิบัติจะตอบว่าเป็นพระได้ไดเป็นผีได้ไหมเป็นมาได้เป็นสัรโลกได้ไหมเป็นมาได้ เป็นอาุรกายเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้แตก่กนมันเป็นไปทุกอย่างไม่รู้อยู่ในภพภูมิต่างๆอันนี้เรือ่อนา ม, มารูปมันเกิดขึ้นมาก็ เ, าเห็นช่องเห็นทางมันแตกฉาดกุศลไปทางหนึ่งอกุศลไปทางหนึ่งะเกิดการเกิดจากรูปทมนามธรรม ในความหลงเกิดความรู้ในความหลงเกิดความหลงในความทุกข์เกิดความทุกข์ในความทุกข์เกิด ค, ความไม่ทุกข์เหมือนกระทางสีแพ้แ่งเรายืนอยู่บนทางสีแพ้่งเห็นเลือกได้ถ้ามันความหลงเกิดขึ้นเียนหลงเป็นลู้ลวกเดินทุกข์เกิดขึ้นเป็น เลือกเดินเป็นความไม่ทุกข์มันเลือกได้ในทุกข์มีความไม่ทุกข์ในหลงมีความไม่หลงที่ว่าโอปปวติกะหรือการผุดขึ้นอย่างเป็นสมมุติก็มี สมมติเทพบันยตดขึ้นมาอุบวัติเทพโวริสุทิทเทพเกิดขึ้นในชีวิตของรูปตามนามธรรมนี้สมมติบันยอดปรามาจิตจาระโทเสิงของเป็นสมมตินา ม, มัร นามไม่ใช่สิ่งของเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมาในชีวิตเราเอานามมาทำบัญญัติเกิดจากเป็นนามก็มีเกิดจากวัตถุก็มีเอาวัตถุมาบัญญตัติแล้วก็ให้สมมติให้บัญญัติเกิดอุปทานขึ้นมา ในความหลงเป็นสมมติปัญญัติในความไม่หลงเป็นปรมัตร์สัจจะในความโกรธเป็นสมมติปัญญัติในความไม่โกรธเป็นปรมัตร์สัจจะเราไวเราเห็นมามพ้องกัน เ, เห็นเกิดขึ้นพ้องกันวัตถุอันเดียวกันถ้าเป็นการเกิดของนามมาลูกถ้าเป็นการเกิดของลูกหนามก็ <จะ S 2> เป็นอันเดียวกัน ร้อนก็เหมือนกันหนาวก็เหมือนกันหิวก็เหมือนกันถ้าเกิดขางนามมาทำคนละอย่างร้อนก็ไม่เหมือนกันบางคนร้อนเป็นผู้ร้อนผู้ที่เห็นนามาลูปจริงจริงเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันแยกได้เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธ เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ๋อไม่เป็นผู้เจ๋อเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายมีทางไปอยู่เรียบว่าสมมทิทิ็องเห็นเป็นทางง่าย่าวะที่เป็นมันลลกเห็นทุกเป็นทุกมันโลกเห็นทุกไม่เป็นทุกมันเป็นทางไป เราปฏิบัติจนนี่มันเป็นทางทําให้เราเห็นมองตะลุตะลวงในชีวิตของเราจนไม่มีอะไรถ้า จ, จะเห็นเราเห็น<ม>เห็นเพื่อเพื่อลบให้หมันเหลือศูนย์ความทุกข์ก็เหลือศูนย์ความโกรธเหลือศูนย์ปัญหาเป็นอะไรต่างๆ<ม>เหลือศูนย์ มันหลงตัวถ้าเห็นไม่เป็นหลงตัวถ้าเห็นเราเป็นไม่หลงตัวนีเสดไปเลือไปเรื่อยๆไอ้เห็นแล้วไม่เป็นนี่หลงตัวพอดีอะไรมีหลงตัวตรงนี้เป็นการหลงตัวของชีวิตที่มาสถานสากล เหมือนนอดเหมือนเกลียวถ้าหมุนไปทางขวาก็เลืยกวปิดถ้าหมุนไปทางซ้ายด้วยเปิดเหมือนก๊อนกน้ําบางทีเราใช้ก๊อกน้ําบางทีก๊อกบังอย่างมันทําให้เป็นปุ่มหมุนก๊อกบังอย่างถ้าเป็นคันโยกก็หมุนมันมีซ้ายมีขวา ถ้าหมุนไป้างขวาวก็เรียกว่าปิดถ้าหมุนไปทางซ้ายเรียกว่เปิดหน้ามันไหลออกจริงที่พอเอามือหมุ น, มนอาใช้แรงมือหมุ น, มนก็พอเพราะว่าหมุนไม่ต้องหันให้แน่นเพราะดีถ้าหมุนไม่ตามแรงของวัตถุ ก, ก็เสียหายลื่น เรียวลื่นได้น็อตหลุดได้พอดีพอดีชีวิตของเราก็เหมือนกันมันมีสาคาลถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่สาคลถ้าหลงเป็นไม่หลงเป็นสาคลอันเดียวกัน ถ้าทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นสากลถ้าโกรธเป็นไม่โกรธเป็นสากลถ้าโกรธเป็นโกรธไม่เป็นสากลยังเป็นสมมติปัญญัติต่างกันอยู่ถ้ามีความแตกต่างก็ในความขัดแย้งกันถ้าคนดังโกรธคนเห็นคนเห็นความโกรธเห็นคนนั่นโกรธเป็นความโกรธคนที่เห็นว่ามันโกรธไม่ใช่ของจริงก็ไม่ถือสาหาเรื่อง คนที่โกรธคนที่หลงไปไปไ ป, ไปดูเขาเวลาเขาหลงไปดูเขาเวลาเขากโกรธว่าผิ ด, ผดเห็นคนจึงเห็นไม่ผิดหรือว่าสมมทิฐิสิ่งที่มันผิดมันเป็นวัตถุการต่างหากไม่ใช่ใ ช, ชีวิ ต, ช, วตชีวิตจริงๆมันเป็นอันเดียวกัน มองคนทุกคนให้เหมือนพุทธเจ้าฟัางเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกค น, กคนเหมือนพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานที่นั่นผู้ที่มีการศึกษาไม่มีอะไรมีแต่ลงตัวจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไระต่างในโลกนี้ แล้วก็ศึกษาแล้วเห็นรูปเห็นนามเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงที่เกิดจากรูปจากนามเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่เกิดจากรูปจากนามอะไรก็ถูกก็มไม่เที่ยงไตรลักษณ์กำกัดไปหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงแค่แน่นอนถ้าเป็นวัตถุสิ่งของถ้าเป็นอารมณ์ก็ไม่เที่ยง ถ้าไม่หลงตัวเป็นธรรมความหลงก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงวงไม่ทุกข์ว่งไม่โกรธก็ไม่หลงีนเที่ยงอันนี้อันนี้หลงตัวจะเรียกว่าเที่ยงก็ใช่จะเรียกว่าไม่เที่ยงก็ใช่เป็นอนัตตาสุญิตตาเป็นสุญิตตาไม่ใช่อนัตตาอัตตาคือไม่แน่นอนต้นรูแบบ เพราว่าสู่นตาคือว่างไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรถ้าเชียงใดที่เป็นวัตถุถ้ายังไม่พัฒนาก็ต้อยู่ในความเที่ยงกวเป็นทุกข์เป็นนามธรรมความโกรธเป็นนามะธรรมความหลงเป็นนามะธรรมความทุกข์เป็นนามธรร ม, ม, ก, นน ม, รมก็ไม่เที่ยง แต่เห็นคนหนึ่งหลงเพบอกว่ า, วามันไม่เที่ยงเป็นอาการเกิดขึ้นเฉยๆคนหนึ่งก็กลังโกรธกำลังหมกมุ่นเรื่องใดอยู่ก็เห็นเขาว่าถ้าจะช่วยเขาก็นั่นก็เป็นอาการเฉยๆดอกอย่าเริ่มดิําไหลมันเกินไปมันเกิดอาการขึ้นมาจากความเห็นจากความคิดของเราเป็นข้างเป็นข่าวอย่าไปตามมันอย่าให้มันบงังคับไป เป็นอาคารเกิดขึ้นเหมือนข้างหนัง่งไปดูที่ระยองเขาถวายที่ให้เป็นวัดเดินภูเขาขึ้นไปข้างล่างก็เป็นฐานที่แล้วก็มีขึ้นไปเขาอี่ก็เลยพากันเดินขึ้นเขา ก็หมกมกป่าไปไปดูพื้นที่แล้วคนที่ไปด้วยก็บนทำไมทำไมทำไมทำไมจึงมากันแบบนี้ทำไมทำไมแต่คนที่เดินไปก็เดินไปศึกษาคนหนึ่งก็เดินไปให้เกิดปัญหาแก่ตัวเองเอาเรื่องยากเอาเรื่องง่ายเป็นเกน หมกวุ้นป่าที่ใดก็ทําไมมันยากไม่ใช่กิริยาก็เลยบอกว่าเออนั่นก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็เห็นเมลายก็ไปเหนื่อยก็เหนื่อยกันก็ยากเท่ากันแหละข้ามขอนหมกวุ้นไปก็เหมือนการหมดแต่ว่าอันที่เราไปก็เป็นกิริยาไม่ใช่คำอะไรดอกอาการที่มัน ยากวันง่ายไม่ใช่ไม่ใช่จิริยามันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปตามมันเดินไปสนุกแบบนี้ลหละแล้วก็อ่อนลงอ่อนลงนอนไปนานไปเขาเลยฟังคำพูดแบบนี้เขาไปคิดแล้วก็ได้คำตอบโอ้เห็นด้วยเห็นด้วย ที่เตือนตั้งแต่วันนั้นมาได้สติมาทุกวันเนี่ยเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนอันนี้เราว่าสมมุติปัญจเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามถ้าเราเห็นก็ห <c oughs> ลงตัวไม่เป็นอะไรสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แม่เป็นเป็นรูปเป็นนาม เช่นเรามองเห็นภูเขามองไปมันงามมันงามคิดอยากจะไปเดินเจ้ากลมอยู่หลังเข า, ล, นานลูกนั่นลูกนี้ชอบหลังเขานั่งรถไปทำตัวนนทางอยากเดินเจ้ากลมเห็นภูเขาอยากจะขึ้นไปเดินยมกลมอยากไปปรากฏแต่พอเดินขึ้นไปก็ไม่ใช่งามเสียแล้ว ไม่แต่คูขคะก็เดินก็เห็นหัวงามเยอะแยะศึ์ษาหลาสิ่ิงเป็นหวัวเป็นเหวแล้วก็คู่คะไม่สวยงามมันมองไกลๆกีคิตของเราก็เช่นกันถ้ามาศึกษาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเห็นเป็นรูปทมนามธรรมเห็นเป็น รูปทุกนามทุกเป็นรูปโลกนามโลกเป็นรูปสมมุตินามสมมุติเป็นวัตถุอาการต่างๆเป็นท่าจีขันห้าหน้าสงสารเป็นภาะระเพราะมาเห็นแล้วเนื้อว่าตัวตนมันไม่ใช่เป็นอะไรต่างๆไป อันนี้ก็เป็นก้อนหินอันนี้ก็เป็นต้นไม้ น, นี่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อที่สูงที่ต่าบางที่ว่าจะนั่งจะเดินบนหลังเขามันก็เดินไม่ได้นั่งไม่ลงอันนี้ก็มีเห็บป่ามีทากป่าเขาก็นั่งไม่ลงเวลายืนอยู่เฉยเยก็มีทากมะกเกาะตดเลือดต้องอาอยาหมองทา ย่อมเท่าอยู่ที่ว่าเหมือนสวยมันก็ไม่สวยมาดูตัวเองเนี่ยก็เกิดการเบรื่อหน่ายเหมือนกันนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นรูปเป็นนามอันนี้ก็เป็นขันธ์หน้าอันนี้ก็เป็นธาตุีอันนี้ก็เป็นความไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ามันเฉลาดมันเห็นว่ามันเฉลาด ดูออกมันแตกฉานอาจจะเห็นเป็นตัวเป็นตนมันบอกลูกมันบอกนามมันบอกทุกมันบอกความไม่ทุกมันบอกความหลงมันบอกความไม่หลงมันบอกความโกรธมันบอกความไม่โกรธมันบอก ได้บดเรียนจากสิ่งที่มันมีมันสอนมันบอกเราเกิดความฉลาดมีสมมธิทติเกิดขึ้นมีการเข้าไปเกี่ยวข้องพิ่มดำริที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างไรมีความเพียรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร มีภาษาทำที่ใช่กับมันอย่างไรตอบจอังไรอะไรที่เป็นการเบียดเบียนอะไรที่ไม่เบียดเบียนนั้นบอกมีสติมันบอกใบเจวข้องกับเชียงใด้มีสมาธิมันบอกงั่นใจกับเชียงใดอะไรที่มันเกิดขึ้นจากงกงรูปกองน้ำเนี่ยไม่หวั่นไหว ยอันย่างหังที่เราสาธยายพระสูตรเนี่ยนั้นเรื่องของลูกของน้ํานี่แหละไม่ใช้เรื่องที่ไหนเกิดจากกองลูกของน้ำมาเขียนเป็นหนังสือพระพุทธเจ้าได้เห็นเรื่องนี้มาเขียนเป็นหนังสือเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เราได้รู้จักแผนที่เมื่อเราศึกษาก็เป็นไปแบบนี้จริงๆ เป็นทางไปแบบนี้คู่ขนานกันไปจะมาทิฏฐิไม่เฉาทิฏฐิความพยายาทความไม่พยายามความเบียดเบียนความไม่เบียดเบียนอันคู่กันไปดำริออกดำลิ ในทางไม่พยาบาทลำเลียงนทางไม่ปองร้ายลำเลียงใ้ขางไม่เบียดเบียนแต่มันก็มีพยาบาแเราก็เห็นเวลาเราไม่สติปฏิบัติตเห็นภาวะที่หลงเห็นภาวะที่รู้นั่นแหละทางเดินของเราผ่านตรงนี้ เห็นความม่วงเหงาหอนอนนั้นละทางเดินมือนกับก้าวไปตรงนี้ให้พ้นเวลามันง่วงมันก็มีความไม่ง่วงไม่ทางไปแม่มันขนานก็ออกได้เชียงห่างๆไปได้ ภัยาบาตเกิดขึ้นก็มีทางอยู่ตรงนั่นแหละเว้นจากการไม่ภัยบาตเว้นจากการไม่ปองร้ายกา ร, ราคะปฏิคะเกิดขึ้นก็มีทางอยู่ตรงนั่นแหละอย่าจนอย่าติดหน้าผาชีวิตเรามาใช่หน้าผา มันมีทางอยู่เวลามันหลงไม่หลงก็มีเวลามันโกรธไม่โกรธก็มีเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีเราเห็นกันอยู่แล้วก็สนุกถามนักปฏิบัติสนุกหลงไหมหรือว่าสนุกเหมือนกันหรือว่าทุกขนะ์สนุกทุกข์ไหมมีไหมทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์หรือว่าสนุกทุกข์ ลอยมันเช้าหน่อยลอยลอยเช้าหน่อยถ้าไม่ลอยมันก็ไม่ไม่เป็นงานเราทํำอะไรต้องลอยเส้า ก, ก่อนจากก่อนที่มันจะเป็นมันตรงยากต้ันลอยที่มันยากถ้ามันเป็นแล้วมันก็ไม่ยากถ้าไม่หนัดก็ไม่เป็นแล้วมันหลงหัดลู่ แล้วมาโกรธหัดรู้แล้ง่วงหัดรู้ถ้าหัดเป็นแล้วมันก็ไม่หลงไม่โกรธไม่ง่วงพรมันเป็นแล้วแล้วก็มีอยู่ในสูตรเนี่ยมีเหมือนกันหมดถ้าเราง่วงคนอื่นก็เคยง่วงพระเจ้าเคยง่วงมาแล้วพระอรหันต์เคยง่วงมาแล้วเราเคยโกรธคนอื่นเคยโกรธมาแล้ว เคทุกคนอื่นเคยทุกมาแล้วคนอื่นเขาไม่ทุกแล้วคนอื่นเขาไม่โกรธแล้วมีเหมือนกันในโลกเนี่ยแต่เราจะมองตัวเราก็มองว่าถ้ายังโกรธยังหลงยังทุกอยู่ล่าจะหมายเขาไปกันแล้วจะมาอยู่นี่ทําไมเรื่องเดียวมาวนอยู่เนี่ยความโกรธความอะไรต่างๆมาวนอยู่เนี่ย ไปให้พ้นใชนอไ่นดึงเข้าไปกันแล้วยังพระลงพระหลังอยู่นี่อพระยอวกระตือเร่ร่อนตรงนี้แต่มันที่เกียดก็ขยันขยันไม่ใช่ให้หยุดไม่หย่อนความเพียนความเห็นชอบเมื่อไม่ไหลต้องเห็นชอบเยสมาธิ การลำดีชอบการผู้จาชอบการงานชอบมันไม่เหงไหลเปลี่ยนทางเปลืองเห็นมันหลงไม่หลงเห็นแค่นเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆมีสติถ้าไม่มีหลัก พึ่งก็อาศัยรูปแบบกรรมาฐานกับเข้ามามีเครื่องทุนแรงชั่วยอยู่วิชากรรมาฐานเป็นเครื่องทุนแรงเคยมีพระพุทธเจ้าเคยใช่แบบนี้พระอรหันต์ก็ใช่แบบนี้บ้านพบลุทธ์ของเราก็ใช่แบบนี้กันมานานแล้ว อย่าทิ้งกรรมเป็นที่ตั้งกรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งเอาไว้ทุกคนก็มีพ่อมแล้วมีกายมีสติมีเหมือนกันหมดถ้าอย่างถ้าอย่างไม่ชำนาญก็ตั้งไว้ถ้าชำนาญเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องตั้ง มันเราอ่านหนังสือเดียนหนังสือถ้ายังไม่ชํานาญก็ต้องดูก็ดานดูตาราถ้าชํานาญแล้วก็ไม่ต้องดูทิ้งไปเลยมันอยู่นตัวเราก็เดียวกันความหลงในตำราความโกรธในตำราอากุศลมูลลาเงาของอกุศลมูล โลภะโทสะโมหะหนึ่งสองสามมีอยู่แล้วอกุศลอื่นเทียงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญว่าขึ้นเป็นอกุศลละอกุศลมูลอโลภะอโทสะโมหะเมื่อกุศลมูลไม่มีแล้ว อัโทพระอัตโทเสอะโลภะไม่โลภอโทสะไม่โกรธ โ, โมหะไม่หลงกุศลมูลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นมาทางนี้เราจะเรียนรู้อย่างนี้ไหมไม่ใช่เวลามันเกิดกุศลมันเกิดที่รูปที่นามเนี่ยเป็นสูตรที่มันตั้งไว้เนี่ยแล้วก็ละมันตรงเนี่ย เรามันหลงไม่หลงมันละเรามันโกรธไม่โกรธละ่ะอกุศลกรศนอกุศนลู ก, ก, ลกเติรนได้อกุศลอกุศลไม่ใช่ยกมือไปที่ไหนภายนอกก่าบ่บง น, น้นกา่าบพระก่าบอะไรอ้อนว่ า, วาไม่ใช่กุศลก็คือมีสตินี่แหละอกุศลคือหลงนั่นแหละไม่ต้องอธิบาย นก็เราก็เห็นจริงมันหลงนั่นแหละกุศลมันรู้นั่นแหละกุศลน่ะภาวะที่หลงเป็นอกุศลภาวะที่รู้เป็นกุศลภาวะที่ทุกข์เป็นอกุศลภาวะที่ไม่ทุกข์เป็นกุศล ม, มันไม่ยากขอที่จะใช่เหตุผลอะไรมาตรงๆวิธี ฝึกกรรมาฐานแบบนี้ตรงๆไม่มีอะไรที่แอบแฝงมาหลงก็หลงเป็นรุ่นก้อนมาเลยหลงก็ไม่ใช่ลูกไม่ต้องถามใครทุกก็เป็นก้อนมาเลยไม่ทุกก็เป็นก้อนเลยไม่หลงก็เป็นเคียงมาเลยเราต้องลองรับแบบนี้ เมนกับเครื่องมือเครื่องมือที่จะเฉลยก็ว่าได้โดยเพราะสติเนี่ยมันเครื่องมือเจาดอกเอกก็ว่าได้เลียนได้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับลูกผมน้ำเนี่ยเปิดได้ทุกอย่าง เป็นทางไปเลยเรินมต้นก็เนี่ยอย่างที่เราสาเตยพะจูระตรทั้งหมดมันคือการปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปสงสัยเหตุผลนั่นได้สัมผัสดุนดุนเข้าไปเลยเวลามีสติสัมผัสลงไปมันหลงสัมผัลมลสผลงไปให้มันเห็น ลองดูสัมผัส ด, ดูอะไรมันเท็จจริงอย่างไงต้องหลงเป็นธรรมไหมผมไม่หลงเป็นธรรมไหมผมโกรธเป็นธรรมไหมผมไม่โกรธเป็นธรรมไหมผมทุกข์เป็นธรรมไหมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมไหมสัมผัสไม่ใช่เหตุผลเรียกว่าดุนเป็นดุนเป็นก้อน เราไม่ใช่ประสาทอ่อนนะประสาตอนก็ไม่รู้ล่ะยกมือขึ้นรู้สึกตัวยังไม่ประสาทอ่อนถ้ามันหลงไม่ใช่ประสาทอ่อนรู้ขึ้นมาจะยกมือขึ้นไหวรู้ได้หลายคนมีหนูโหธิไม่ใช่ประสาทอ่อน เป็นมนุษย์สมบัติใช่ได้เลยใครก็ช่วยเราไม่ได้ตรงแน่หลงก็หลงต่างกันไม่ใช่หลงเหมือนนาฬิกาเวลานี่เป็นเวลาตหาีห้าห้านาทีอันนี้สาวคนแต่การหลงไม่ใช่นาฬิกามันเป็น เหตุปัจจัยอยู่กับตัวผู้หล ง, ลงเวลาเดียวกัน<ง>บางทีคนนั่งไม่หลงคนนั่งหล ง, ลงคอยหลงก็เปลี่ยนเป็นลูกล<ง>นั่นแหละจึงจะเป็นชีวิตของเราถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่ชีวิตชีวิตถูกหิ้วไปสมสน่นไม่ใช่ เราจึงลักหนวนสงวนตัวปฏิบัติธรรมคือรูแหละตัวเองนี่แหละให้มันปลอดภัยให้มันรู้เฉื่อยมันถึงเมื้อถึงตัวจริงๆปฏิบัติธรรมกรรมาฐานเนี่ยมั่นใจยิ่งกว่าจริงใดในโลกถ้าดดรู้สึกตัวลรมั่นใจคนก็ เกวียนก็ไม่มั่นใจเพราะเกวียนอันหนึ่งอัวอหนึ่งคนขับก็คนหนึ่งคนขับรถก็ไม่มั่นใจดอกเพรถเป็นนันหนึ่งคนขับคนหนึ่งคนขับช่างขับมาคนขับเครื่องบินก็ยังไม่มั่นใจเขายังมาปุน้นเราเครื่องบินไปชนตึกเซ็นเตอร์ให้เปิดแต่คนขับตัวเองเนี่ยไม่มีใครมาแย่งเรามันเกิดจากตัวเราเนี่ย อะไรจะมั่นใจตอเ น, นี้กรรมฐานศักดิ์สิทธิ์จากนี้จะไปทําอะไรแบบไหนอ้อนวอนอะไรเลือกงามยามดีอะไรไม่ใช่เป็นการกระทาของชีวิตเราแท้ๆอย่างละอย่าไปเอาอะไรกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ ปริวาสปริวาสที่รวยนะพระนี่ก็มาทำบุญถวายเงินบินทบาทเป็นแถวปรวาสที่ไหนเนี่ยเอารถไปใช่ยอบินทบาทเข้าสารหารแห้งสารนี่เจียงข้าต้มแล้วรถตอกมาลาบแล้วเจียงข้าต้มเราบินทบาทก็มาฉันเพลินชบวัน ในข้าวเป็นตันตันข้าวสารเป็นตันตันอาหารแห้งเป็นตันตันเงินทองแบ่งกันที่นี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยกรรมฐานล้วนๆ น, นะไม่มีอะไรไม่มีซองถ้ากรรมฐานอยู่ในปกเน่ยถวายซองสนุก สนุกคุยกันสนุกเล่นบางคนก็เอาคอมพิวเตอร์ไปเล่นในปกดูหนังโป้กันก็มีดูหนังในเต้น่วนตัวชวนกันไปดูป ก, กใกล้ๆกันะคุยกันอันนี้กรรมฐานนะไม่เหมือนแบบนั้นที่ใดที่จะ ปริเวกอเอาเลยสังัดแล้วจากกุศลทั้งหลายสังัดแล้วจากกามทั้งหลายมีปิติแล้วเหลืออยู่มีสติปัจจิติแล้วแหลืออยู่ละวิตกวิจารเียได้เข้าถึงปฐมฌ า, า, านทุทนนติยฌานตจิตฌานจตุจิตฌานถึงมรรคถึงผลนิพพานไปเลย ละสุขรทุกข์มีสติแล้วไหลอยู่มีสติแล้วไหลอยู่ตั้งต้นก็สติตามกลางสติที่สุดก็สติไม่รู้จะพูดอะไรนะเอามันอยู่นี่หละเราเอาสขขอสมควรใจเวลากาบพระร้อมกัน